เวลาเรามีเพื่อนเราก็อยากได้เพื่อนที่รู้ใจเวลาเราทำงานก็อยากได้ลูกน้องที่รู้ใจรวมทั้งเวลาเรามีแฟนมีคู่ครองก็อยากได้แฟนหรือคู่ครองที่รู้ใจเวลาเรามีความทุกข์เราก็อยากให้คน เห็นใจเราแต่ว่าเราเคยถามตัวเราเองหรือเปล่าว่าที่เรียกร้องให้ใครมารู้ใจให้ใครมาเห็นใจและตัวเราเองล่ะเคยคิดจะรู้ใจตัวเองบ้างไหมเคยคิดจะเห็นใจตัวเองบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราเรียกร้องกันเยอะนะ เรียกร้องให้ใครต่อใครมาเห็นมาเห็นใจมารู้ใจเราแต่เราไม่คิดที่จะรู้ใจหรือเห็นใจตัวเองบ้างมันยากนะไม่รู้ใจไม่เห็นใจตัวเองแต่ว่าจะไปเรียกร้องสแสวงหาหรือว่าไปกาเกณฑ์ให้ใค ร, ใครต่อใครมารู้ใจหรือเห็นใจเรา อะไรที่ยากกว่ากันระหว่างที่ระหว่างคนที่คนข้างนอกที่มารู้ใจเราหรือตัวเราเองที่รู้ใจตัวเองลองคิดดูว่าอะไรที่ยากกว่ากันอะไรที่มันเป็นไปได้ง่ายกว่ากันถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมารู้ใจเราได้อย่างไร ถ้าเราไม่เห็นใจตัวเองเวลวเราจะให้คนอื่นมาเห็นใจเราได้อย่างไรส่วนใหญ่เวลาบอกว่าอย่าให้คนอื่นมารู้ใจเราเนี่ยมันก็มักจะหมายถึงว่าเออเขารู้ความต้องการของเราเขารู้ว่าจะปลนเปอรหรือว่าจะตอบสนองความต้องการของเราอย่างไรอันนี้เรียกว่ารู้ใจเรานะอันนั้นมัน มันก็ดีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้โนะดยพ่อเวลารู้ใจตัวเองนะก็คือรู้เท่าทันนะความรู้สึกนึกคิดของตัวเวลาเราโกรธนี่เราเคยรู้ใจตัวเองไหมว่ากำลังโกรธอยูนะ่เวลาเราเกลียดเรา รู้ทันความเกลียดในใจเราไหมเวลาเราเบื่อเวลาเราเศร้าเราเคยรู้ทันความเบื่อความเศร้าทั้งทั้งที่มันเกิดขึ้นอยู่กลางใจเราหรือเปล่านะให้รู้ใจอย่างนี้แหละที่สําคัญกว่าสําคัญกว่าการไปกระเกณงให้ใครมารู้ใจเราและมันก็มักจะ เป็นอย่างนี้นะพอคนอื่นเขาไม่รู้ใจเราเพื่อนไม่รู้ใจเราลูกน้องไม่รู้ใจเราคู่ครองคนรักไม่รู้ใจเราเราโกรธนะแต่เราไม่เคยคิดที่จะรู้ใจตัวเองนะแล้วก็เพราะไอ้ความโกรธที่คนอื่นเขาไม่รู้ใจเรานี่แหละ จากนั้นที่มันเผาลนจิตใจเราอยู่เราเห็นมันบ้างหรือเปล่านะเราปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนใจนะเป็นวันเป็นคืนเราเคยคิดอยากจะรู้ใจตัวเองไหมเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นและเป็นเพราะเราไม่รู้ใจตัวเองเวลาความโกรธม่เกิดขึ้นนั่นแหละเราถึงปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนจิตใจ หรือว่าบางครั้งอยู่ดีไม่ว่าดีนะกำลังสบายสบายกำลังสงบสงบก็ไปเอาความโกรธมาใส่ตัวมาใส่ใจของเราด้วยการไปคิดถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือว่าสิปีที่แล้ ว, ว, ลวนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันสมควรที่เราจะโกรธ มันสมควรที่เราจะโกรธคนนั้นคนนี้เพราะเขาไม่ดีกับเราคนนั้นอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่เขามีหน้าที่ที่จะต้องเอาใจเราเขามีหน้าที่ที่จะต้องรู้ใจเราแต่เขาดันไม่ทาหน้าที่นี้เราก็สมควรโกรธเรามีเหตุผลที่จะโกรธนะนะกิเลสมันสรรหาเหตุผลมาเพื่อที่จะสนับสนุนคาจุนรองรับความโกรธ เราเราก็เลยลองก็เราก็เลยเลี้ยงความโกรธเอาไว้เหมือนกับเลี้ยงไฟให้มันเผาใจเราถามว่าเวลาโกรดนี่ทุกไหมนะคล้ายๆก็ย่อมรู้ว่ามันทุกแลวทำไมยังให้ความโกรธมันเผาใจอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าเห็นใจตัวเองหรือเปล่าเราอยากให้คนอื่นเห็นใจเราแต่เราไม่เห็นใจตัวเองเราทำร้ายตัวเอง เราทำร้ายตัวเองบ่อยๆไปนะวันละหลายครั้งเราอยากให้คนอื่นทันดทนทน้อมเราอยากให้คนอื่นนี้นะนุ่มนวลอ่อนโยนกับเราแต่เรากลับซ้ำเติมตัวเองด้วยการเอาความโกรธเอาความเกลียดเอาความโศกความเศร้ามาเผาม า, า, มาทิมแทงนะบางทีก็เน้เนื้อต่าใจก็เอาความเนืเนื้อต่าใจนี่ามาเผามาทิมแทงมากรีดใจตัวเรา อย่างนี้เรียกว่าเราเห็นใจตัวเองหรือเปล่านะจริงๆถ้าเราลักตัวเองเราเห็นใจตัวเองเราก็ต้องไม่ทำอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งแรกที่เราควรทำก็คืออย่าเอาทุกมาทับถมตัวแ ต, แต่เราทำอย่างนี้กันทุกวันทุกวันแล้วเราก็ไปโทษคนนั้นคนนี้แต่ถ้าใจเราไม่ไม่ไปเปิดรับหรือไม่ไปร่วมมือมันจะทุกได้อย่างไร เขาพูดเขาจาเขาทำอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าใจเราไม่ไปสมยอมไม่ไปร่วมมือก็ไม่มีทางทุกได้ก็จะพูดเขาจะทำอะไรล้วก็ไม่มีทางความทุกเนี่ยโดยเพราะทุกใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าใจเราไม่ไปเปิดรับนะหรือไปร่วมมือไปสมยอมสิ่งภายนอก จะเป็นคำพูดจะเป็นการกระทำของคนนะเขาทำอะไรเราไม่ได้อย่างมากก็อาจจะทำกับทรัพย์สมบัติของเราหรือว่าอาจจะทำกับร่างกายของเราแต่ว่าไม่สามารถจะทำให้ใจเราทุกข์ได้ของหายก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินนอกตัวหรือแม้แต่จะมา ทำให้เราเจ็บเราปวดมันก็เป็นศัก์แต่ว่าร่างกายที่ปวดแต่มันจะไม่สามารถจะทะลุดทะลวงมาถึงใจจกนกระทั่งทำให้ใจเราเจ็บปวดได้ถ้าใจเราไม่ไม่ไปเปิดรับไม่ไปอ้าแขนไม่ไปร่วมมือร่วมมือด้ดยการเอาสิ่งที่เขาทำนั่นแหละมาทิมแทงตัวเอง กายก็ส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งนะอะไรเกิดขึ้นกับกายไม่ได้แปลว่าใจจะต้องทุกข์ด้วยนะเราได้ยินอะไรเราเห็นอะไรเราได้กลิ่นอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใจเราก็จะต้องไปกระเพื่อมตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนะมันมีช่องว่างมันมีระยะห่างอยูนะ่เราสังเกตดูนะ เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนะแม้ว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่งามจมูกได้กลิ่นที่ไม่หอมหูได้ยินเสียงดังหรือกายได้รับสัมผัสที่มันแสบมันร้อนนะแต่มันไม่ได้แปลว่า พอจะเห็นได้ยินได้สัมผัสปุ๊บนี่ใจนี่ทุกปั๊บนะไม่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นที่กายแต่มันยังไม่ทำให้ทุกใจได้ถ้าเราไม่ไม่ไปปล่อยใจยินดียินร้ายกับภสษาที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภาษาขึ้นรับรู้ได้ยินได้เห็นได้ฟัง มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอัตโนมัตินะต้องเกิดทุกขเวทนาชเช่นหูได้ยินเสียงดังเนี่ยมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกขเวทนาทางใจนะนะแต่ว่าถ้ามันจะเกิดความทุกขทางใจนี่มันต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนก็คือขั้นที่หนึ่งเกิดความยินดีินร้ายก่อนเบื่อยินดียินร้ายแล้วนะก็ยังปล่อยให้มันปรุงต่อไปก็กลายเป็นความ การยึดติดการผลักไสนะพอยินดีล้ายใช่ไหมถ้ายินดีเราก็ไขาไขว่ค ว, ว้าถ้ายินยร้ายเราก็ผนละักไสไอจตที่มันผลักไสหรือไข่คว้าตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เกิดอาการดิ้นขึ้นมาก็คือถ้าอยากได้อยากไข่คว้ามันก็ดิ้นที่จะไปครอบครองนะมันมันทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ใจดิ้นอยากจะได้ หรือพอผักใสลังเกียดปฏิเสธจิตมันก็ดิ้นที่จะผลักออกไปทั้งหมดนี้นี่แหละนะมันก็จะเลิกทำให้เกิดความทุกข์เมื่อยินดียินไแล้วผลักใสไขวคว้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือทุกข์ใจหรือเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์นะนะจากช่วงที่เกิดทุกขเวทนาทางกาย แดดร้อนนะร้อนกายนะหรือว่าได้ยินเสียงกระทบนะก่อนที่มันจะมาเกิดความรู้สึกว่ากูทุกขหรือทุกใจเนี่ยนะมันมันผ่านอีกสองสาขั้นตอนที่จริงตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะพอเกิดภาษาแล้วใช่ก็เกิดเวทนาเวทนาแล้วก็มีตัณหาอุปาทานพบชาติชารามรณะ แล้วถึงเกิดทุกข์ขึ้นดูสิมันมีกี่ขั้นตอนน่จากเวทนาก็ตัณหาความอยากอยากได้อยากผลักออกไปเกิดอุปาทานความยึดติดนะความยึดติดไม่ว่ายึดติดสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบก็ยึดติดทั้งนั้นนะแล้วเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาเป็นชาติคือเป็นความรู้สึกว่ามีตัวกูเกิดขึ้นนะตัวกูพูดอยากตัวกูพูดเครียดตัวกูพูดโกรธนะ โกโูโกรธกูเครียดแหละเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดมันก็จะปรุงไปเป็นช ร, มรามอรณาะรักทุกขโท ม, มนัตนะเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะซึ่งเมื่อกี้ก็พูดง่ายๆสรุปง่ายๆคือว่าพอเกิดผสัสสะกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เกิดความยินดียินร้ายแล้วก็เกิดการผลักสายไขว่คว้าเกิดการดิน้นมันไม่ใช่แค่ผลักสายที่ใจ พฤติกรรมมันก็แสดงออกมาด้วยเช่นอยากได้อยากครอบครองเป็นการกระทําออกมาหรือว่าผักสายออกไปผักสายด้วยคําพูดบางถ้าคําพูดไม่ไปก็ต่อยตีทุบตีทำร้ายเนีทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันก็เป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นคือกูทุกข์แต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดทุกขเวทนาทางกายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดทุกขทางใจโดยอัตโนมัติไม่ใช่มันผ่านขั้นตอน เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่มันสําคัญที่เราควรรู้จักนะเพราะว่าถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันก็แม้จะมีความยินดีนลายแต่พอมีสติรู้ความยินดีรู้ความยินายรู้ทันที่เรียวกว่ารู้ใจนี่แหละคือรู้ความยินดียินไลรู้ชอบรู้ชังมันก็หลุดมันก็วางได้มันก็จะไม่ปรุงแต่งไปเป็นจนเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์หรือเกิดความทุกข์ใจขึ้น ให้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนี่มันกูทุกทั้งนั้นนะมันปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเกิดอะไรที่ไม่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับเราแม้จะมีคนไม่รู้ใจเราแม้จะมีคนที่พูดไม่ถูกหูเราแม้จะมีคนตําหนิเรานะแม้จะมีคนมาทําร้ายเราแม้จะเจ็บจะป่วยมันก็จะอยู่ตรงที่กายนะ และมันจะไม่ไม่ต่อมาที่ใจถ้ามีสติรู้คือรู้ใจมันจะไม่เกิดกระบวนการปรุงแต่งเป็นดินดนียินร้ายเกิดความผักสายไ ข, ขว้าหรือว่ายึดอยากหรือปฏิเสธอย่างที่พูดกันไปเมื่อสองวันก่อนมันตรงนี้ทำมันไม่มีเนี่ยมันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมานะและตรงนี้สําคัญมากเพราะว่ามันหมายความว่าสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องทําให้เราทุกข์ใจ นะมันไม่เป็นเพราเราทุกใจตรงนี้แหละคือกุญแจที่จะไปสู่อิสรภาพเพราะคนร้อนี่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเราก็กลายเป็นธาตของสิ่งแวดล้อมเขาด่ามาเราก็โกรธนะเขาตำหนิเราเราก็ทุกนะหรือว่าเจอแดดเราก็ร้อนไม่ใช่ร้อนกายแ่ร้อนใจเจ็บป่วยเราก็ทุกนะ เรากลายเป็นธาตุของสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เราเรารู้ตัวไหมเราสังเกตไหมว่าเราเป็นธาตุสิ่งแวดล้อมคือเราจะสบายได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในที่ที่สงบเย็นสบายนะแต่ถ้าเกิดรอบตัวเรามีเสียงอึกทึกอย่างเช่นนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยพอมีเสียงอึกทึกรอบตัวนี่เอาละจิตใจว้าวุ่นละอันนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง พอไปรดรอที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งรอบตัวมันจะเป็นยังไงเนี่ยใจมันก็เป็นกลางๆได้เขาจะร้องเขาจะบน่นเขาจะเขาจะส่งเสียงดังในใจเราปกตินะแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกนะไม่มีสตินะเราก็จะคอยพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเราก็จะคอยพึ่งพาผู้คนว่าต้องพูดดีๆกับฉันนะต้องไม่ส่งเสียงดังนะต้องเดินเบาๆนะไม่ปิดประตูเสียงดังนะต้องไม่นินทาฉันนะ นะต้องรู้ใจชันนะแล้วถามถือว่าจะเจอคนอย่างนี้ได้ตลอดเวลาได้ที่ไหนนะแม้แต่เรายังไม่รู้ใจตัวเองแล้วจะให้คนอื่นรู้ใจหรือปฏิบัติ ด, ดีๆกับเรายังได้อย่างไรแม้แต่เรายังไม่รู้จักถนอมจิตใจของเราเลยแล้วจะให้คนถนอมจิตใจเราได้อย่างไรและหนเมื่อเราต้องเจอคนอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ไม่พลอยต้องทุกไปเพราะหรือไปเพราะคนเหล่านี้หรือ ทุกวันนี้เนี่ยเราตกอยู่ภายใต้สิอำนาจของสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นอินฟ้าอากาศหรือเหตุการณ์บ้านเมืองรวมทั้งข่าวสารนึกๆดูบางทีก็ไม่ต่างจากนะขอภัยนะที่หมาหมา ท, ที่ที่พัดป่ามหาวันเนี่ยหรือผู้หลงเนี่ยเวลาตีละครังทำวัดชา ว, วัดเย็นเนี่ยพอตีผู้มันหอนปั๊บเลย ตีผู้ถอนปักตีถี่มันหอนถี่ตีตียาวมันหอนยาวนะแล้วมันมันไม่มันมันห้ามไม่ได้นะมันห้ามตัวมันเองไม่ได้นะมันกลายเป็นธาตุของรักคั่งธาตุของเสียงรักคังเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะพอคนเขาพูดจาไม่ดีกับเราเราโกรธทันทีพอคนตําหนิเราปุ๊บเราฉุนทันทีเป็นอัตโนมัติเลย บางทีเวลาคนที่มาวัดป่ามหาวันเห็นหมามันร้องโห o e หอนนี้หัเลาะหมามันมันกลายเป็นท่าของเราคังไปแล้วแต่ว่ามาดูใจตัวเราอะบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่มเราไม่ได้มีปฏิกิริยากับเสียงระครังทันทีเราไม่ปฏิกิริยาทันทีกับเสียงพูดเสียงตําหนิหรือการกระทําของคนอื่นที่เห็นจังทางตา ถ้าคนเราไม่ปฏิบัตินะไม่รู้จักดูใจนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเราก็จะกลายเป็นท่าของสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเรารู้จักดูจิตดูใจนะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะมันจะมีการแบ่งเลยว่าเออโลกภายนอกเขาทํากับเราก็อย่างหนึ่งแต่ว่าจิตใจของเรานั้นเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ ไปกับเสียงพูดเสียงจาของผู้คนและเรากลับมองว่าเออมันดีได้ซ้ำเพราะอะไรเพราะเรามีสติเพราะเรามีปัญญ า, าคนฉลาดนี่มีหลวงพ่อท่านนึงพูดคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดคนดีเนี่ยใครปลาขี้หมาให้ก็เปลี่ยนให้เป็นดอกไม้นะฉันพูดสั้นๆกระชับดีใครปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้หมายความว่าเขาจะพูดเขาจะด่ายังไงกับกลายเป็นดี นะซึ่งเราทําได้นะแม้แต่แม้แต่คนที่ไกลวัดนี้เขาก็ยังทําได้ถ้าเขาเขามีการรู้เท่าทันจิตใจของเขาเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยเขาตอนนี้ก็เสียชื่อตไปนานแล้วเราพูดวันเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะคำตาหนิทําอะไรเขาไม่ได้เลยก็กลับกลายเป็นของดีนะไม่ใช่แค่เป็นกลางนะกลับกลายเป็นของดีอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนขี้หมาเนี่ยก็กลายเป็นดอกไม้ คนหนึ่งที่พูดน่าสนใจนะบางคนอาจจะรู้จักนะชื่อตองสิทชอยตองสิทชอยนี่เมื่อ20ปีก่อนดังมากก็เป็นนักเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ดังขึ้นเร็วขึ้นไวมากอายุ12นี่สามารถชนะแชมป์โลกได้แต่ไม่ได้แข่งแบบทางการนะอายุไม่ถึง25เขาติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกเก่งกว่าพาราดอนพาราดอนแค่หนึ่งใน10นะตองสิชอยนี่เร็วมากพุ่งพุ่งเร็วมาก และตัวหลังพอเขาพุ่งเร็วแต่ว่าเขาก็ตกเร็วเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่รู้จักแต่เมื่อเร็วๆนี้เขาก็เป็นข่าวอีกพอเขากลับมาสู่วงการใหม่ก็มีคนไปถามเขาถามเขาหลายเรื่องนะถามทุกช่งเขาในช่วง20ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขาตกต่ำนะคนเราเวลาตกตำ่ำตกต่าจริงๆนะคือว่านอกจากจะฝีมือจะตกแล้วนะ บางทีค้าขายธุรกิจธุรกิจที่ลงทุนไปเป็นสิบล้านหลายสิบล้านก็ถูกเพื่อนโกงเพื่อนเพื่อนเบี้ยวไปนะเราก็ยังถูกวิจารณ์สื่อมวลชนวิจารณ์แต่ก่อนสื่อมวลชนก็ชื่นชมเขาตอนหลังก็มาวิจารณ์เขาเสียให้หายแต่เขาพูดไปน่าสนใจว่าเนี่ยให้ที่ที่สื่อมวลชนวิจารณ์เขานี่เขาก็ถือว่าเป็นเหมือนอาจารย์นะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้นะ ถ้าเราผ่านตรงนี้ไม่ได้นะเราก็มีทางเจริญหมายถึงว่าถ้าเราไม่สามารถจะผ่านคําตําหนิคําวิจารณ์ได้เพราะฉะนั้นไอคําวิจารณ์จากสื่อมวลชนหรือจากใครก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสมือนอาจารย์นะนี่ น, นิ่แล้วเขาเปลี่ยนขี้ไม้ให้กลายเป็นดอกไม้นะอันนี้ก็เรียกว่าทําให้ไม่เป็นธาตุของคําวิพากวิจารหรือความเห็นของคนภายนอกนะ อันนี้เขาเารู้เขาเข้าใจตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งเพราะเขาปฏิบัติธรรมเขาก็มาไปบวชไปบวชเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วทำให้เขาทำใจได้จากจากการที่เขาเคยพุ่งสูงสุดมาแล้วก็ตกเขาบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเขาใช้คำพูดนี้บ่อยมากมันเป็นธรรมชาติธรรมดา นะมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้อย่างยืนไม่มีอะไรที่จรังนะสมัยก่อนนี่คนบอกว่าเขาหลับตาแทงก็ยังลงลงหลุมเลยแต่เดี๋ยวนี้แทงยังไงก็ไม่ถูกแทงหลายครั้งก็ไม่ถูกบางทีก็แพ้รุ่นน้องเขาก็หมองว่า อ, อการที่แพ้รุ่นน้องก็ดีเหมือนกันโลกมันจะเจริญได้ก็เพราะคลื่นลูกใหม่ไลค่คลื่นลูกเก่านะให้พวกเราที่เป็นรุ่นพี่นี่ทําใจได้ไหมถ้าเกิดรุ่นน้อง น, นี่เขา กลับมาเก่งเก่งกว่าเราเราก็เราก็อิจฉ า, าเขาเราก็ไม่พอใจเขานะแต่ว่านี่เขากลับมองว่าดีโลกมันจะเจริญได้ก็เพราะขื้นรุ่นลูกใหม่ไล่ขื้นลูกเก่านะพวกเราที่เป็นนักปฏิบตัติบางทีรุ่นน้องเขาปฏิบัติทําได้ดีกว่าเอาละเริ่มคอมเมนต์ละนะไม่ว่าจะเป็นพระบป็ชีบางทีเราทําใจไม่ได้ขึ้นรุ่นน้องเขาปฏิบัติทําได้ดีกว่าเขา มีความฉะฉาในเรื่องธรรมะได้มากกว่าแต่ว่าคนอย่างตองนี่เขาเขาเข้าใจอันนี้ก็แสดงว่าเข้าใจเขาเริ่มเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคือใครจะเก่งกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะค น, นคนจำนวนมากนี่ถ้าคนอื่นเก่งกว่าเราเราทุกข์แล้วนะเพราะเราไม่มีมุทิตาจิตเพราะเราไม่มีสติรู้ทันไอความอิจฉาหรือความโกรธนะแล้วเราก็จะเป็นทุกข์เรื่อยไปนะ คนเราเก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีคนที่เก่งกว่าที่เรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเก่งจะคิดว่ากูเก่งแต่ว่าลึกๆ ก, ก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีคนที่เก่งกว่าแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรนะ่ด้วยใจเช่นนี้แต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันอะไรเกิดขึ้นกับเรานะอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเรากับชื่อเสียงเกียรติยศ ของเราเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะรวบเป็นอนิจจังไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะวางความยึดติดถือมั่นได้ว่ามันเป็นของเราหรือไม่ทุกข์เพราะรู้เท่าทางความยินร้ายหรือว่าความความไม่พอใจที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละคือความหมายที่แท้ของคําว่าอินทร์สังวรเมื่อกี้เราสวดกันเนี่ยสํารวมในอินทร์สํารวมในเทวาลเอาคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายคือว่าคุมตาคุม หูคุมจมูกคุมลิ้นนะอันนั้นไม่ใช่ความหมายของอินทซียสังวรหรือหรือความสำรวมในอินรีความสำรวมอินรีหมนนายความว่าเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะไม่ว่ามันจะเป็นไม่ว่ามันจะเป็นบวกเป็นลบนะก็ใจนี่ก็ไม่กระเพื่อมไหวคือไม่ยินดียินลายนะเมื่อได้เสพของอร่อยได้เห็นของดีหรือมีได้รับคาชม เราก็ใจก็ไม่กระเพื่อมหรือฟูเมื่อถูกตาหนิหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่ไม่สิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนานะใจก็ไม่แฟบนะอันนี้แหละคือความหมายของอินทสียสังวรซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสงใจให้เป็นปกติได้ท่ามกลางแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นตรงกันข้ามนะ เราอย่าไปปรารถนาเรียกร้องสิ่งแวดล้อมที่สงบที่ดีที่ที่สะดวกสบายนะเพราะถ้าเราไปสแสวงหาโดยคิดว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมดีแล้วใจเราจะดีอันนั้นเรากำลังาพาตัวเข้าไปเป็นทาสของสิ่งแวดล้อม นักปฏิบัตินี้เขาไม่ไม่กัดเกณฑ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผู้คนดินฟ้าอากาศหรือเหตุการณ์บ้านเมืองว่าจะต้องเป็นจะต้องถูกใจเราหรือต้องมีคนรู้ใจเราเพราะเราเรียนรู้ที่จะรู้ใจดูใจของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้นี่แหละนะนอกมันก็จะทำให้เราเป็นอิสระต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นตามลําดับเราไม่สามารถจะเลือกได้นะว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา อันนี้ต้องยอมรับนะไม่ว่าจะร่ำรวยมาจากไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาแค่ไหนเราไม่มีไม่มีสิทธิ์กากเกณฑ์หรือควบคุมบังคับหรือเลือกว่าต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแม้จะเป็นผู้มีอำนาจแค่ไหนมันก็ยังมีคนดินทาเราแม้จะดีแค่ไหนก็ยังมีคนตำหนิติเตียนอย่างพระพุทธเจ้านะก็ยังมีคนตาหนิติเตียนพระองค์ มันไม่มีทางที่เราจะเลือกให้เกิดเหตุการณ์ดีๆกับเราได้แต่แต่เราเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจเราแค่ไหนอันนี้เราเลือกได้นะเช่นเขาด่ามาอ่าใจเราไม่ทุกนี่เราทำได้นะหรือว่าเขาแกล้งเราเขาโกงเราใจเราไม่หวั่นไหวนี่เราทำได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกได้ มันเจ็บมันป่วยที่กายเนี่ยแต่ใจเนี่ยสงบได้อันนี้เราเลือกได้นะเราทําได้นะเราเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อใจเราแค่ไหนและเราเลือกได้ว่าจะจะมีปฏิกิริยากับมันอย่างไร2ข้อนี้สําคัญมากเราอย่าไปเผลอเรอย่าไปอย่าไปผิดทางนะคือไปควบคุมบังคับไปเรียกร้องกักเกณฑ์ให้ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา เวลาเราออธิษฐานเวลาเราทาบุญอธิษฐานเนี่ยเรามักจะเรียกเรียกร้องสิ่งนี้ขอให้รวยขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีคนรักที่ดีขอให้มีการงานเจ้านายที่ดีเราเรียกร้องให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชื่อของเราทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยถามไม่เคยเรียนเรียนรู้หรือเลือกหรือใส่ใจกับการที่จะมาเลือกหรือฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะ มีมีความสามารถที่จะเลือกว่าจะให้มันมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนหมายความว่าถึงแม้จะจนถึงแม้จะทำงานไม่สำเร็จถึงแม้จะเจ็บจะป่วยเราเลือกได้ว่าจะทุกหรือสุข ก, กับมันเราเลือกได้นะแล้วเราเลือกได้ว่าจะจะมีปฏิกิริยา ก, กับมันอย่างไรแต่เราไม่ค่อยเลือกไม่ค่อยยอมเลือกอันหลังเท่าไหร่ไม่ค่อยยอมเลือกสองหลังอันหลังเท่าไหร่ เราคิดแต่จะไปเลือกอย่างแรกข้อแรกคือขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จอันนั้นแหะคือความหลงอย่างหนึ่งเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปตามใจเราได้ถูกใจเราได้ไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ว่าเมื่อเราถ้าเรายอมรับว่าเออทุกอย่างไม่แน่นอนนะอะไรมันก็มีดีล้วก็มีรายได้ เราก็จะมากลับมาที่ใจเออแม้เจอเรื่องรลล้ายๆเราจะทำใจอย่างไรนะนะก็ต้องมีสตนะิมีสติแล้วเนี่ยแม้จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นกับกายมันก็ไม่ปรุงแต่งไปจนเกิดความรู้สึกว่ากูทุกขหรือเกิดความทุกขใจนะตรงนี้เนี่ยเราตรงนี้เราเลือกได้นะต้องอาศัยการรู้ทัน อย่างที่ยกตัวอย่างเด็กที่เขาขนของขึ้นรถไฟนะแล้วก็เพื่อนทิ้งเขาให้เขาขนของขึ้นรถไฟคนเดียวนะพิธีกรก็ไปถามเขาว่าไม่ไม่คิดไม่โกรธไม่คิดจะไปด่าว่าเพื่อนที่เขาทิ้งให้เราทำคนเดียวหรือเด็ก12 13ก็ตอบดีนะหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่าง อันเด็กเขารู้เขาพูดอย่างนี้แต่เขารู้เลยว่าถ้าโกรธเนี่ยมันทุกข์ใจมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวทุกข์กายนี้เป็นเพราะขนของขึ้นรถไฟแต่ทุกข์ใจเพราะโกรธเพราะคิดจะไปด่าว่าเพื่อนหรือจะพราะคิดว่าไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ถูกกินแรงอันเด็กเขารู้แล้ว่าคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใจมันทุกข์เลยอันนี้แสดงว่าเด็กเขารู้ใจเด็กเขารู้ใจแล้วเขาเมื่อรู้ใจแล้วเขาเลือกเลยว่าเฮ้ยงั้นฉันเลือกเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่า นะคนเราเลือกได้นะว่าจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือจะเหนื่อยสองอย่างเวลาป่วยเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเราจะทุกอย่างเดียวหรือทุกสองอย่างถ้าป่วยคือทุกใจทุกกายกับอีกอย่างหนึ่งคือทุกทั้งกายทุกทั้งใจเราเลือกได้นะว่าเราจะจะจ ะ, จะเอาทุกอย่างเดียวหรือจะเอาทุกสองอย่างเวลาของหายเนี่ยเราเลือกได้นะว่าเราจะเราจะ เสียอย่างเดียวคือเสียของหรือเสียสองอย่างคือเสียใจด้วยนะแต่คนที่เลือกได้เนี่ยต้องต้องเป็นคนที่มันรู้ใจแล้วก็มีสตินะทันเราก็จะเลือกได้แต่ถ้าไม่มีสตินะไม่รู้ใจเลยเนี่ยมันก็จะก็จะไปคว้าเอาทุกสองอย่างเอาปวดสองอย่างนะนัเราก็มากนดาชะตากรรมหรือว่า โทษเพื่อนว่าเอาเปรียบเราหรือโทษคนนี้ว่าพูดจาไม่ดีกับเราแต่มันเป็นเราต่างหากที่ที่เราเลือกเราคว้าสองอย่างเองนะอันนี้เห็นไหมนะว่าการเจริญสตินี่มันสำคัญอย่างไรบ้างนะถ้าเราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสติรู้ทันนะเราก็จะทำร้ายตัวเราเองไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละเราก็จะไปคว้ามา ทิมแทงตัวเราเราไม่ได้ไขวยค ว, าว้าเฉพาะสิ่งที่เราชอบนะแต่เราแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยญาติของตามาคนหนึ่งเนี่ยนะคือในบ้านของเขาเนี่ยซึ่งก็คงเหมือนกับบ้านอีกหลายหลายบ้านในกรุงเทพก็คือว่า คนหนึ่งเชียร์สีเหลืองคนหนึ่งเชียร์สีแดงใช่ไหมคนพี่สาวเนี่ยเชียร์เสื้อเหลืองแล้วก็ช่วงนั้นคือเดือนเมษายนเนี่ยเสื้อแดงก็มีการชุมนุมกันที่สนามหลวงแล้วก็ที่หน้าธรรมเนียบน้องสาวของเขาเนี่ยเชียร์เสื้อแดงก็นั่งจ้องดูโทรทัศน์ที่รายงานข่าวการชุมนุมของเสื้อแดง พี่สาวมาเห็นน้องจ้องดูโทรทัศน์ก็ว่าน้องสาวว่าไปดูมันทำไมไอ้พวกนี้นะน้องสาวก็ลำคาญไม่อยากตลอดถอดเขียงก็เลยเดินออกจากที่นั่นไปหนึ่งชั่วโมงต่อมาน้องสาวกลับมาตรงห้องที่ดูโทรทัศน์บกว่าพี่สาวกลับมานั่งดูแทนพี่สาวเชียร์เสื้อเหลืองแต่ว่า พี่สาวไม่ชอบเสื้อแดงแต่ว่าจดจ้องดูโทรทัศน์ข่าวรายงานเสื้อแดงดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปคือมันทุกข์ถ้าทุกข์แล้วดูไปทำไมใช่ไหมแต่ก็วางใจปลดเปลื่องจิตใจจ า, จากจอโทรทัศน์ไม่ได้ทั้งที่ดูไปก็ทุกข์ไปเห็นพวกเสื้อแดงก็เกลียดด่าก็ว่าแต่ไม่ยอมละสายตาจากจอโทรทัศน์ ทางนั่งที่ไปบอกน้องสาวว่าดูมันทําไมแต่ตัวไอ้นี่กลับจ้องดูนะไม่กับพิบแล้วก็ดูไปด่าไปดูไปด่าไปเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เป็นกรณีซสื้อหลังเสื้อแดงแต่ว่าเวลาเราเกลียดใครเนี่ยเราก็จะนึกถึงคนคนนั้นนะอาจจะเวลามีกินเลี้ยงกันคนเป็นร้อยถ้าเกิดคนที่เราไม่ชอบเนี่ยคนที่เราเกลียดเนี่ยเดินเข้ามาในห้องนั้นเนี่ยสายตาเรานี่จะไปจดจ้องคนคนนั้นเลย เขาเดินไปทางห น, นล้วก็จะจดจ้องดูนะก็เราไม่ชอบเขาแล้วเราไปดูเขาทำไมไปจ้องเขาทำไมนะนี่เรียกว่าเป็นความยึดติดอีกแบบนหนึ่งเท่านั้นที่ใจมันผลักไสนะใจมันอยากจะผลักไสเพราะความโกรธเพราะโทสะนะแต่ความแต่ทันทีที่เราอยากจะผลักไสนะั้นเราก็ยึดติดแล้วความยึดอยากและความผลักไสนี่มันไปด้วยกันนะ เวลาเราเราอยากเวลาเราโกรธใครเกียดใครเราก็ยึดเราก็จดจ้องอยู่กับสิ่งนั้นเวลาเราอยากอยากรวยอยากสำเร็จมันก็จะมีสิ่งตรงข้ามเกิดขึ้นคือกลัวความล้มเหลวกลัวความยากจนมันจะมาคู่กันตลอดเวลาคือความไอความผลักสายกับไขค ว, าควา้าหรือว่าการยึดติดกับปฏิเสธเนี่ยมันเป็นพี่น้องฝาแฝดที่มาด้วยกันนะ อยากรวยก็กลัวจนอยากอยากดังก็กลัวกลัวไม่ดังได้ความกลัวในที่ที่มันจะคอยทิมแทงเราและเราก็จะพยายามผลักสายมาันแต่ผลักสายมันก็ยิ่งมาความเศร้าก็เหมือนกันนะเพื่อนคนหนึ่งเขาลอยฟังเนะเขาได้จดหมายจากเพื่อนชายที่เข า, าหลงชอบอยู่แต่ว่าจดหมายนั้นก็เหมือนกับว่าจะ ไม่ได้ตอบสนองความรักของเธอเธออ่านจดหมายไปเธอก็เศร้าไปซึมระหว่างนั้นเองก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมากดเกรียงที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนว่ามาไปเที่ยวกันนะความรู้สึกของเพื่อนที่อ่านจดหมายเนี่ยเขาเล่าเลยว่าเพราะว่าเนี่ยเขาเกิดถุนหงุดหงิดขึ้นมาทันทีนะ ที่เพื่อนนี่มาชวนไปเที่ยวเขานึงในใจว่าเนี่ยเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาลังควานอีกเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาทุกข์ก็ยังมีคนมาลังควานหมายความายควาาเขาอยากจะทุกข์ต่อไปไม่อยากใครมาลังควานตอนนี้เดี๋ยวจะจมอยู่ในความทุกข์คงอยู่ในความเศร้าเพราะอะไรเพราะมันมีแรงดึงดูดทั้งนที่อยากทั้งที่นี่ชไม่ชอบความเศร้าแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดนี่คือไม่รู้ใจ แล้วก็ไม่เห็นใจด้วยทำร้ายตัวเองทำไมนะกับความเศร้าความเศร้ามันดีนักเลือถึงคลอเคลียร์ถึ ง, Clear, ถงปาถึงไปลุ่มหลงถึงไปจมอยู่กับมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัวเงี้ยไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ใจนะเมื่อไม่รู้ใจก็เลยไม่เห็นใจตัวเองก็เลยทำร้ายตัวเองทิมแทงตัวเองซ้ำเติมตัวเองนะแล้วเราก็ไปโทษคนน้นคนนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราเราเราถึงเวลาแล้วที่เราจะเลือกเรียกร้องคนโน้นคนนี้ให้เห็นใจเราให้รู้ใจเราเลือกเรียกร้องที่จะให้มีความสุขความเจริญในราบยศสารเสรสิญเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยยั่งยืนเลยมันไม่เคยอยู่ในอำนาจของเรามันจะต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นตรงข้ามอยู่เสมอ และถ้าเราไม่ดูใจเราไม่รู้ใจเราเราก็จะกลายเป็นท่าของมันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มาทำร้ายเรานแต่ทั้งๆั ท, งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะใจเราไปเปิดให้สิ่งนั้นเนี่ยมาทำร้ายเรามากกว่าอย่าลืมนะว่าเราเลือกอะไรไม่ได้เราไม่สามารถจะเลือกสิ่งดีๆเกิดให้เกิดขึ้นกับเราได้แต่เราเลือกว่าเราจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหน มีเด็กคนหนึ่งแกประทับหน้านาประทับใจมากเป็นเด็กไต้หวันนะชื่อโจต้ากวนแกเป็นมะเร็งแถวขาเนี่ยแกอายุแค่1ิบขวบเองนะเป็นมะเร็งที่ขาแล้วก็ต้องไปผ่าตัดสามครั้งแล้วก็คีมโมอีกประมาณเจครั้งแล้วก็ฉายแสงอีก30ครั้งสุดท้ายต้องตัดขาแล้วก็แกเขียนบทกวีนะ บทกวีแบบเด็กๆบทกวีเล่มนี้เนี่ยเขียนว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งแกไม่ได้เขียนว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งนะแต่แกเขียนว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งอันนี้คือการมองในแง่บวกนะไม่ได้เมื่อคนที่อกหังเนี่ยเขาไม่ว่าฉันไม่ได้เสียคนรักไปฉันไม่ได้เสียคนรักไปแต่อาจจะเขียนว่าฉันยังมีเพื่อนอีกมากมายนะ อันนี้คือความต่างกันระหว่างคิดบวกคิดลบแต่ว่ม ก, กมบบทกวามหนึ่งแกเขียนไว้เล่าถึงประสบการณ์ที่ที่เข้าห้องผ่าตัดสามครั้งแกเล่าถึงการเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกบอกว่าเขียน ง, ง่ายๆนะว่าพ่อแม่พาฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันมีเด็กชายหวาดกลัวเป็นเพื่อนบ้านฉันมีเด็กหญิงสงบ เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันและฉันเลือกเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนบ้านของฉันหมายความว่าเลือกเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนพาเข้าห้องผ่าตัดผ่าตัดคร้อที่สองพ่อแม่ประคองฉันพ่อแม่อุ้มแล้วตอนนี้พ่อแม่อุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกนี่ประคอง้อที่สองนี่อุ้มฉันเข้าห้องผัดตัดคุณป้า คุณป้ากังวลเป็นเพื่อนบ้านฉันและคุณลุงสงบก็เป็นเพื่อนบ้านฉันเหมือนกันฉันเลือกคุณลุงมั่นคงเข้าห้องผ่าตัดนะ่าัครั้งที่สามนี่ต้องขี่คอพ่อไปแล้วไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวเข้าห้องผ่าตัดฉันมีคุณคุณคุณความตายเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ คุณอยู่รอดก็เป็นเพื่อนบ้านฉันฉันเลือกคุณอยู่รอดเด็กคนนี้แกรู้นะว่าชีวิตเลือกได้ไม่ได้เลือกว่าจะเป็นมะเร็งก็ได้ไม่เป็นมะเร็งก็ได้นะไอ้เป็นมะเร็งหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะมันเลือกไม่ได้ปุบปับก็ไปขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมดาโลกแต่สิ่งที่เลือกได้คือเราจะเลือกเอาเด็กชายสงบนะ หรือว่าเด็กหญิงสงบหรือว่าเด็กชายหวาดกลัวเป็นเพื่อนเราจะเลือกคุณป้ากังวลหรือคุณป้าหรือคุณลุงมั่นคงเป็นเพื่อนเด็กคนนี้รู้ว่าเลือกได้ไม่สามารถเลือกได้ว่าชีวิตนี้ต้องไม่ไม่ปาะไม่สามารถจะเลือกได้ว่าชีวิตนี้จะปลอดมันเ็งแต่เลือกได้ว่าจะเอาอะไรไปเป็นเพื่อนหรือจะยอมให้มันมีมมที่พลต่อเราแค่ไหน จะยอมให้มันยัดเยียดความกลัวให้กับเราหรือว่าเราจะเลือกเอาความสงบจะยอมให้มันยัดเยียดความความกังวลให้กับเราหรือเราจะเลือกเอาความมั่นคงในจิตใจนเนี่ยรางวัลของนักปฏิบัติธรรมนะโดยเพราะการเจริญสตินะเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือเราเลือกได้เรา เราจะได้สิทธิคือรางวัลหลวงพ่อเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องสิทธิเราจะมีสิทธิคือเราสามารถจะเลือกได้ว่าจเจ้าสุขหรือจเจ้าทุกข์จะเอาความหวั่นไหวหรือจเจ้าความปกติเราเลือกได้แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติหรือประฏิบัติไม่ถูกนะก็จะก็จะหลงไปเลือกอย่างอื่นเลือกตรงข้ามหรืออาจจะเลือกไม่ได้เลยถูกมันยัดเยียดใส่เข้าไปในหัวจิตหัวใจซึ่งแน่นอนก็เพอใจเราเปิดเปิด เปิดกว้างหรือยินยอมมันด้วยนะแล้วเ น, นี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะการเจริญสติสำคัญนะแต่ต้องแต่ต้องเรื่องตัวาการเจริญสตินะถ้าไปเอาถ้าไปเอาสมถะนะจะให้จะให้อยู่ในความสงบจะแต่ความสงบโดยเรียกร้องให้สิ่งว่าล้อมต้องสงบด้วยคนต้องเดินเบาๆพูดเบาๆคนต้องยิ้มแย้มอ่อนหวานต่อกันอย่างนี้จะ จะไม่จะไม่มีสิทธิที่จะเลือกเลยเพราะว่าเรากำลังพาตัวเราเองไปเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมเราไปกัดเกนใครต่อใครให้ดีกับเราแต่เราไม่เรียนรู้ที่จะกัดเกนหรือฝึกใจของเราเนี่ยให้ให้มีอิสระที่จะเลือกนะเพราะนักปรานประัตินี่เราเราจะไปเราเราจะไปเรื่องมากนะกับสิ่งแวดล้อมนะฝนมันจะตกแดดจะออกผู้คนจะวุ่นวายงานจะเยอะ นะหรือว่าเสียงจะดังนักปฏิบัติให้รู้ว่านั่นนะ่ะคือแบบฝึกหัดที่จะให้เราเนี่ยนะเรียนรู้ที่จะมีสติแล้วก็เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับที่ตองสิชอยว่าเนี่ยไอ้คำไอทั้งหมดเนี่ยอุปสส เ, เนี่ยคืออาจารย์ซึ่งถ้าเราผ่านได้เราก็จะมีแต่ความเจริญและความผาสุขเอเราก็พูดกันท่านี้ก็กราบพระ